สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะบีกลับมาแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้กลับมาพร้อมกับเรื่องราวแปลกๆจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะเริ่มต้นค่ะเป็นเรื่องของคุณเพลิงนะคะที่ถูกส่งเข้ามาทาง c e b o o k f แฟนเพจพระเจอผีนะคะบอกสวัสดีครับผมชื่อเพลิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอเมื่อตอนเด็กตอนนั้นเรียนอยู่ประมาณม .1 ครับปัจจุบันอายุ29ปีแล้วก็ช่วยตั้งชื่อเรื่องให้ด้วย เดี๋ยวขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องท้ายท้ายเรื่องก็ละกันนะคุณเพลิงนะผมได้ไปเที่ยวที่บ้านย่าที่ชนบุรีอยู่ที่สัตหีบบ้านย่าเป็นบ้านยกพื้นสูงเป็นบ้านไม้ครับอยู่ในป่าสแสมติดริมคลองแล้วก็ข้างบ้านย่าเนี่ยก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของย่า ห, ห่างๆเป็นบ้านยกพื้นเหมือนกันหลังบ้านเขาจะมีต้นสแสมต้นใหญ่ใหญ่มาก คืนนั้นนี่ผมจะเข้าห้องน้ำคือห้องน้ำมันจาอยู่บนบ้านครับแต่ว่าเวลาเข้าห้องน้ำจะต้องลงไปตักน้ำในโอง่งใต้ถุนบ้านเพราะว่ายัางไม่มีน้ำจากท่อประปาผมก็เลยต้องลงไปตักขึ้นมาใส่ไว้ให้เต็มตอนที่ผมลงไปตักเวลาประมาณ4ี่ทุ่มข้างล่างคือมืดมากมืดไปหมดมองไปทางไหนก็มีแต่พุ่มไม้มีแต่ต้นแสมต้นกงกลางเต็มไปหมดข้างๆบ้านเขาก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้ว เปิดไว้แต่ฝ่ายหน้าบ้านก็เห็นสลัวสลวจังหวะที่ผมตักน้ําอยู่ผมเห็นคนสองคนครับยืนอยู่หน้าบ้านของญาตหงห่างเป็นผู้ชายตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากผิวคล้ำออกสีแดงแดโครงหน้าใหญ่ๆคล้ายคนโบราณใส่แต่กางเกงเสื้อไม่ใส่เขายืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับเขยื่อนไปไหนเลยผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็คิดว่าอคงจะเป็นคนในระแวกบ้านนี่แหละก็เลยมองว่าเขามาหาใครทําไมไม่เรียก แล้วผมก็ต้องตกใจเพราะว่าผู้ชาย2คนนั้นเขาหายวับไปกับตาคือเหมือนเ้าหายตัวไปเลยคุณเพลิงบอกผมตกใจมากวิ่งขึ้นบ้านแบบไม่คิดชีวิตน้ำสองถังที่ถืออยู่ไม่หนักเลยครับกลัวมากวิ่งไปด้วยตะโกนไปด้วยว่าย่าผีหลอกย่าผีหลอกที่ตะโกนออกมาย่าก็ตกใจแล้วก็ถามว่าผีอะไรที่ไหนก็เลยเล่าให้ย่าฟังย่าก็บอกว่าไม่มีอะไรหลอกตาฝาดไปหรือเปล่าผมก็ยังตื่นกลัวไม่หายแต่ย่าก็บอกให้ไปนอน คุณเพลิงก็เลยปล่อยผ่านไปแต่ก็ยังกลัวอยู่นะแล้วก็ไปนอนค่ะคืนนั้นคือหมาหอนไล่เสียงกันมาทั้งคืนเลยคุณเพลิงต้องข่มตานอนให้หลับพอประมาณช่วงเช้าก็ได้ยินเสียงจากญาติข้างบ้านเขากรี๊ดดังมากค่ะ ก็เลยตกใจตื่นเสียงกรีดของเขาก็เลยมองออกไปทางหน้าต่างห้องนอนเพราะว่าหน้าต่างห้องนอนที่บ้านของคุณย่าคุณเพลิงเนี่ยคือมันจะตรงกันกับหลังบ้านของเขาเพอดีภาพที่เห็นคือญยา่าห่างๆของย่าเนี่ยแกผูกคอตายค่ะลิ้นจุกปากตาถลนออกมาอยู่ที่ใต้ต้นสแสมใหญ่หลังบ้านลุงคนนี้เขาเป็นคนขี้เมาไม่ทํางานทําการแกก็เมาหัวลาน้ํากลับมาแกก็จะตีเมียแกเกือบทุกวันคุณเพลิงคิดย้อนกลับไปเมื่อคืนค่ะ ว่าแล้วคนที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยคือใครพอมาช่วงเย็นเกิดป่วยค่ะไม่สบายเหมือนโดนผีหลอกและจับไข้ผมร่วงตอนนั้นเข้าใจเลยว่าจับไข้หัวโกรธเ น, นี่ยมันเป็นยังไงย่าก็เลยพาไปหาพระแล้วก็เล่าให้พระฟัง พระท่านบอกว่าเขาเป็นยมมาทูตมารอรับวิญญาณของคนเมื่อคืนที่ผูกคอตายเขารู้ว่าจะมีคนตายเขาก็เลยมารอแล้วพระก็บอกว่าผมเป็นคนที่เคยผ่านความตายมาเลยทำให้เห็นอะไรแบบนี้ท่านยังบอกอีกว่าบางทีนะคนที่ผมเห็นแล้วคิดว่าเป็นคนอาจจะไม่ใช่คนก็ได้ผมก็เลยย้อนนึกกลับไปแม่เคยเล่าให้ฟังว่า ตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยจมน้ําเกือบจะตายแต่ว่าแม่ช่วยเอาไว้ได้ทันพระท่านยังบอกอีกว่าให้หมั่นทําบุญเวลาเห็นอะไรแปลกๆก็ให้ไปทําบุญเพราะเขารู้ว่าเราเห็นแต่เขาจะไม่มาหลอกเราเพราะว่าเขารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนจิตอ่อนเขาแค่อยากจะมาขอส่วนบุญก็เท่านั้นแล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าหลังจากนี้ผมก็จะเห็นอยู่เรื่อยครับมีที่ไหนที่ไหนมีถ้าเขาอยากให้เห็นก็จะเห็นแต่นี่คือเรื่องแรกและครั้งแรกที่ผมได้เจอแล้วก็จริงอย่างที่พระพูด ผมได้เห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นจนปัจจุบันเห็นจนชินก็ว่าได้บางเรื่องก็น่ากลัวบางเรื่องก็น่าสงสารผีครับไว้ผมจะมาเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณคุณเพลิงมากนะคะไว้มีโอกาสเนะาะทักเข้ามาใน facebook นะคะเดี๋ยวถ้ า, าจะมีเวลาสนทนากันยังไงก็เดี๋ยวจะขอวิดีโอคอลหรือว่าขอแบบโท ร, โทรไปแล้วก็ขออนุญาตบันทึกเสียงนะคะเป็นการเล่าแบบ ส่งต่อกันน่าจะมันกว่านะคะกับการที่คุณเพลิงส่งเรื่องมาให้ฟังแค่คิดภาพตามนะว่ามีผู้ชายสองคนนี่ไปยืนอยู่ตรงหน้าบ้านของย่านหน่างของคุณย่าคุณเพลิงเนี่ยกูนะคิดภาพตามคือรู้สึกขนลุกไปแล้วอะ่ะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งตอนเช้ามาเนี่ยคือมาผูกคอตายด้วยแล้วก็เป็นศพห้อยอยู่ที่ต้นแสม ح. เรื่ององเรื่องคือมันติดอยู่หลังบ้านเราด้วยแหละแบบนี้เนี่ย มันยิ่งน่ากลัวเบิ้ลขึ้นไปอีกนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณเพลิงด้วยค่ะที่ส่งเรื่องเข้ามาเล่าให้เราฟังใน Facebook f แฟนเพจพระเจอผีของเราค่ะเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาจากทางบ้านเหมือนกันค่ะทาง Facebook f แฟนเพจนะคะโดยคุณผู้ฟังที่ใช้ชื่อ Facebook ว่า s l i p p p อร์ก็ตเ e r a น่าจะอ่านไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะ บอกว่าเรื่องมีอยู่ว่าพ่อผมเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งครับหลังจากที่เขาสู้กับโรคนี้มาจนถึงที่สุดท่านก็จากไปก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะคะที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปก็ขอเริ่มเรื่องตรงนี้เลยครับคืนที่พ่อผมเสียนั่นเองแม่ที่เฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลก็โทรหาพี่ชายผมที่ชื่อกัง้งซึ่งผมนั้นก็นอนอยู่ข้างๆมีพี่น้องทั้งหมด4คนซึ่งผมเป็นคนที่สี่น่าจะเป็นคนเล็กนะคะก็แม่โทรมาแจ้งว่าพ่อเสียแล้ว เจ้าของเรื่องนะคะแล้วก็พี่ชายเนี่ยก็รีบไปที่โรงพยาบาลโดยที่ยังไม่ได้ปลุกใครเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็ได้เห็นร่างที่นิ่งสงบของพ่อเสียใจมากแต่ร้องไห้ไม่ออกพี่ชายก็ชื่อกล้าก็สั่งให้กลับมาตามคนที่บ้านก็เลยรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์จากโรงพยาบาลแต่ว่าสิ่งแรกค่ะที่รับรู้ได้คือผมไม่ได้กลับไปบ้านคนเดียวเพราะว่าไปที่ ถนนไฟที่ถนนเนี่ยที่มันสะท้อนเงามันมีเงาดำนั่งซ้อนท้ายมาด้วยแต่ผมก็ยังขับกลับมาจนถึงบ้านแล้วก็แจ้งคนที่บ้านช่วงงานศพเนี่ยก็จะต้องไปรับแฟนที่ทำงานบ่อยๆก็มักจะเจอรถบีบแตรใส่แบบแปลก ๆ, ๆซึ่งผมเองก็งงเออบีบทำไมว่าอะไรประมาณนี้จนได้เจอกับรถกระบะคันนึงบีบแตรยาวใส่เลยพอดีรถเขา กับรถผมเนี่ยมันติดไฟแดงก็เลยเคาะกระจกถามว่าพี่เมื่อกี้ผมตัดหน้าพี่เหรอถึงบีบแตรถใส่ผมแบบนั้นซึ่งเขาก็ตอบว่าทำไมให้ลุงนั่งแบบนั้นนั่งหันหลังชนกันมันเป็นวัยรุ่นมันอันตรายพอได้ยินแค่นี้เลยค่ะเสียวสันหลังไปทั้งตัวเลยคือก็เลยตอบกลับไปว่าลุงไหนที่ผมมาเนี่ยผมมาคนเดียวก็เลยชี้ที่ด้านหลังให้ดูแล้วก็ชี้เบาะ ที่คนซอนเนี่ยนะคะที่ซอนรถมอเตอร์ไซค์ให้คนขับรถกระบะดูว่าเนี่ยมันไม่มีใครเลยคือมีแค่ผมเนี่ยขับรถมาคนเดียวลุงไหนพี่พี่พูดตลกหรือเปล่าคนขับรถค่ะพอเขาเห็นว่าไม่มีใครเขาก็ทำหน้าตกใจค่ะพอไฟเขียวคือเขาก็รีบออกรถไปเลยโดยที่ไม่ร่ำลาหรือว่าพูดอะไรต่อเลย คือเจ้าของเรื่องบอกว่าผมคิดว่าคนที่ขับรถกระบะเห็นนั้นเนี่ยน่าจะเป็นพ่อผมนะเพราะว่าท่านคงห่วงผมก็เลยคอยระวังให้นะคะเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะสายสัมพันธ์เนะะี่ยค่ะสายเลือดนีคะพ่อลูกหรือว่าจะเป็นแม่ลูกมันตัดไม่ขาดค่ะยังไงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วด้วยความห่วงหาอาทรในสายเลือดในเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านเองท่านก็ยังคงเฝ้ามองดูเรานะคะแต่ว่าทางที่ดีเนาะ เราก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เป็นคนดีให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าต่อให้ท่านจากเราไปนอย่างน้อยเลยค่ะคุณผู้ฟัง 50% ที่ยังอยู่ในร่างกายนี้คือสายเลือดของพ่อและก็แม่เรานะคะโดยที่ท่านยังไม่ได้ไปไหนเลยท่านอยู่กับเราตลอดค่ะ มีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคุณหานใจสิงนะคะซึ่งคุณหานเล่านะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณหานเองแล้วก็พี่ๆที่ไปต่างจังหวัดด้วยกันคือย้อนกลับไปเมื่อตอนเรียนอยู่ปวชวปีสองคุณหานได้ไปฝึกงานที่สาธารณสุขอำเภอเมืองแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยอาสาที่มูนลนิธิซึ่งต่อมาวันหนึ่งพี่เต่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยบอกกับคุณหานตอนพักกินข้าวว่า สาธารณสุขจะจัดอบรมนอกสถานที่5วันมีลงพื้นที่ด้วยสนใจไปไหมก็เลยถามพี่เขาไปว่าที่ไหนพี่เต๋าก็เลยบอกว่าที่สุรินทร์ถ้าใช้จ่ายออกให้นะก็เลยเห็นว่าเออน่าสนใจก็เลยบอกพี่เต๋าว่าจะไปด้วยที่นี้พอวันออกเดินทางเนี่ยมีไปด้วยกัน8คนค่ะไปถึงที่สุรินทร์ก็เกือบบ่ายคล้อยมากแล้วที่พักคือบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งมีบริเวณกว้างใหญ่หลายหลังเดาวได้นะคะว่า น่าจะฐานะดีพอสมควรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนต่างก็แยกกันไปพักโดยมีคุณหารคุณเตาคุณนนคุณเจดอยู่บ้านหลังหนึ่งคุณพลอยพี่กันพี่วิพี่อ้อก็อยู่อีกหลังหนึ่งหลังจากเก็บของกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็พากันออกมากินข้าวซึ่งพี่เจ้าของบ้านก็ยินดีต้อนรับทุกคนแหละค่ะที่นี่ห่างไกลาจากตัวเมืองสักหน่อยนึงแถมเป็นภาคอีสานใต้ด้วยคุณไงก็ระวังหน่อยก็แล้วกัน แกก็เกิรนมาแบบนี้ก็รู้สึกหวั่นใจเลยค่ะพี่เต่าเลยถามว่าอีสานใต้มีอะไรแหละครับทําไมพวกผมต้องระวังตัวด้วยแกก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีคนเล่นของคาถาอาคมสายดํามันเยอะแยะจะไปเจอไปเจออะไรก็อย่าทักอย่าขานรับถ้ามีเสียงอะไรแปลกแปลเรียกเผื่อบางทีเนี่ยคนลองวิชาปล่อยมาของมันจะเข้าตัวพี่เต่าแกก็พยักหน้ารับทราบแล้วก็หันไปมองหน้าพี่นนพี่เจดประมาณว่าไม่เชื่อที่แกพูดหรอก แล้วทุกคนก็พากันกลับเข้าไปนอนนะคะทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะก็มีการพูดคุยกันว่าเมื่อคืนเนี่ยเหมือนได้ยินอะไรหล่นบนหลังคาแต่ก็ไม่มีใครกล้าทักอะไรมีเพียงพี่กันที่เปิดหน้าต่างออกมาดูแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรพอกำลังจะปิดหน้าต่างค่ะนาอาสายตาแกก็ไปประสานเข้ากับหญิงชาวบ้านคนนึ่งที่ยืนอยู่นอกรั้วบ้านเธอหน้าตาสวยทีเดียว พี่กันเนี่ยก็เป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วด้วยก็เลยยิ้มตอบพอเป็นมารยาทพอปิดหน้าต่างบานหนึ่งกําลังจะปิดอีกบานมองหาเธอหายไปซะแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จก็พากันไปจัดโต๊ะให้ความรู้ชาวบ้านที่โรงเรียนแล้วก็ผลัดกันไปพูดทีละคนนะคะแล้วพี่กันก็รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้พอดีมีผู้หญิงคนนึงเอาน้ํามาเสิร์ฟให้เจ้าหน้าที่เธอเสิร์ฟมาจนถึงพี่กันพี่กันเงยหน้ามองเป็นผู้หญิงคนที่แกเห็นเมื่อคืนเธอบอกว่าเธอชื่อพิมพ์พวก ทีมงานของสาธารณสุขเนี่ยนะคะก็มองหน้ากันเพราะว่าอยู่กันตั้งหลายคนทําไมมาแนะนําชื่อให้พี่กันคนเดียวพี่กันแกดื่มน้ําแก้วนั้นจนหมดนะคะโดยที่พวกคุณหารเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรแต่ว่ามันเริ่มผิดสังเกตคุณผู้ฟังผิดสังเกตตอนที่กลับไปที่บ้านพักพี่กันแกก็มีอาการแปลกๆ ก, ก็ถามว่าคนชื่อพิมพเนี่ยบ้านอยู่ไหนอยากไปหาจังคิดถึงพี่เต่ากับพี่นนก็เลยแซวไปบอกแค่เอาน้ําแก้วเดียวมาให้ถึงกับเพ้อเลยเหรอ พี่วิกับพี่พลอยหันมาบอกว่าเหมือนจะไม่ใช่กันเลยแล้วพี่อ้อก็เป็นคนที่พี่กันเนี่ยคบอยู่ก็เลยถามว่าจะไปหาเขาทําไมชอบเขาหรือไงพี่กันหันมามองพี่อ้อตาขวางบอกใช่ผมชอบเขามีอะไรไหมทุกคนเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยบอกให้พี่กันเนี่ยมานอนนะคะมานอนกับทีมงานของคุณหานสลับกับเอาพี่นนท์เนี่ยไปนอนดูแลสาวๆแทนเหตุการณ์เหมือนจะสงบนะแต่ว่า ทีนี้เนี่ยพอคุณหานเดินลงไปเข้าห้องน้ําตอนตีหนึ่งค่ะระหว่างที่เข้าห้องน้ําอยู่ก็ต้องตกใจเพราะว่าตุ๊กแกตัวใหญ่เกาะอยู่โอ่งตรงประตูค่ะไม่มีเสียงร้องทักทายด้วยตอนเดินไปเปิดประตูออกมาคือมองไปที่ห้องนี้เห็นเป็นกลุ่มควันดําๆลอยเข้าไปในห้องที่นอนกันอยู่แล้วก็ที่พี่การ น, นอนอยู่ก็เลยคิดในใจว่าอน่าจะไม่ใช่เรื่องดีแนะ่ก็เลยเดินขึ้นห้องนะอ่าเดินขึ้นห้องไปทุกคนนอนหลับหมดแล้วเหลือเพียงพี่กั น, นค่ะที่ยังนอนลืมตาแข็งไม่กระพริบ ปากก็บ่นพึมพำเบาๆจับใจความได้ว่าพิมจ๋าพิมจ๋าคุณหารเดินไปปลูกพี่เต่ากับพี่นนมาดูแกคิดได้ตอนนั้นว่าคงโดนของแล้วละ่ะพี่เต่าแกก็เลยบอกว่าเออปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวมันง่วงมันก็หลับเองพอรุ่งเช้าค่ะปรากฏว่าพี่กันเนี่ยหายตัวไปก็คิดกันว่าเออคงจะไปจัดอบรมหรือไม่ก็น่าจะไปหาพี่กันก่อนดี กลายเป็นว่าพอไปถึงโรงเรียนที่จัดอบรมพี่การมาก่อนเรียบร้อยล่ะพร้อมกับผู้หญิงที่ชื่อพิมพ์พี่เต่าเดินไปถามว่าออกมาก่อนทําไมไม่บอกใครเลยเขาเป็นห่วงกันรู้ไหมพี่การบอกว่าคิดถึงพิมพ์ก็เลยเดินตามหาในหมู่บ้านพอดีเจอกันก็เลยไม่อยากนอนแล้วมานี่เลยดีกว่าพี่ออได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ละค่ะทั้งเป็นคนที่คบกันอยู่นะคะพี่พลอยพี่วีต้องมานั่งตอบใจกันไปหลังจากนั้นพี่การกับพิมพ์ก็ตัวติดกันตลอดจะว่าเหมือนแฟนก็ไม่ใช่ เรียกว่าเหมือนผัวเมียกันเลยทีเดียวพี่กันเริ่มจะสู้ผอมหน้าตาหมองปากดําเล็บมือออกขิเขียวกินอะไรไม่ได้จนถึงวันจะกลับฉะเชิงเซาพี่กันบอกว่าไม่อยากกลับจะอยู่กับพิมพ์ที่นี่พี่เต่ากับพี่เจ็ออกอุบายว่ากลับก่อนเดี๋ยวให้แม่มาขอเป็นเมียเลยก็ได้พิมพ์ที่ยืนอยู่ก็ทําหน้าไม่พอใจแล้วค่ะแต่ทําอะไรไม่ได้นะคะระหว่างทางที่กลับพี่กันก็นั่งร้องไห้มาตลอดทางพอไปถึงบ้านแกทุกคนก็ไปส่งแกลงหน้าบ้าน แม่ของพี่กันซึ่งท่านสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมบ่อยมองมาแล้วก็บอกให้หยุดตรงรั้วบ้านก่อนท่านเดินไปจับตัวลูกชายแล้วบอกโดนของมาหรือเปล่าเนี่ยของเขมนด้วยนะแรงมากทุกคนมองหน้ากันเลือลักจนไม่รู้จะทำยังไง แต่ว่าแม่พี่การบอกว่าจะลองสวดมนต์ให้ดูแต่ก็ไม่หายนะคะพี่การคอยแต่เพอ้อหาพิมพ์ทุกเวลาหน้าตาก็ยิ่งหมองแก้มก็ยิ่งตอบลงจากคนดูดีค่ะกลายเป็นคนดูไม่ได้เลยตอนนี้หนักเข้าก็คือพี่การ น, นี่เก็บกร ะ, ะเป๋าจะไปอยู่กับพิมพ์ที่สุรินซะงั้นพี่เต่าพี่ น, นนแล้วก็คุณหาญก็เลยมาหาพี่กันที่บ้านตอนนั้นเนี่ยคือพี่การคล้ายกับซากศพ คือมีแค่ลมหายใจแค่นั้นแม่บอกว่าสวดมนต์ให้ทุกวันก็ยังไม่ดีขึ้นร้องไห้ด้วยสงสารท่านมากก็เลยบอกท่านว่าถ้าคนโดนเสน่ห์คนโบราณบอกว่าให้เอาน้ำล้างเท้าพ่อแม่แก้ครับยังใช้ได้อยู่ไหมสมัยนี้แม่บอกไม่รู้เหมือนกันแม่ไม่เออแต่ว่าแม่เคยได้ยินอยู่นะทุกคนก็เลย ไปเอาอ่างดินมาใส่น้ำลอยดอกมะลินะะี่ค่ะแล้วก็ล้างเท้าให้แม่พี่กันเขาทางด้านพี่กันนั้นเหมือนของหรือพูดผีที่อยู่ในร่างกายแกจะรู้แล้วว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ก็เลยพยายามจะวิ่งหนีแต่พี่เต่ากับพี่นนเนี่ยพุ่งไปล็อกแขนแกไว้ก่อนที่น่าตกใจคือเสียงพี่กันกลายเป็นเสียงกรีดร้องค่ะ ที่พี่เต่าเองแกก็เหมือนจะท่องบทสวดบนอะไรสักอย่างเนึง่งแล้วก็เป่าใส่พี่กันจนสลบไปทีนี้ก็เอาน้ําล้างเท้าแม่เนี่ยมาเช็ดตัวให้แล้วก็ใส่แก้วมากรอกปากให้พี่กันดื่มจากนั้นไม่นานพี่กันก็ อ, อ้วกออกมาเป็นน้ําคร่ําสีดํามีกลิ่นเหม็นมากที่น่าตกใจคือมีตะปูขึ้นสนิมมีเส้นผมายาวๆพันไว้ทุกคนไม่รอช้าละหันรีบเอาน้ําล้างเท้าที่เหลือกรอกปากแกให้หมดจากนั้นพี่กันก็หมดสติไปราวสองวันพอตื่นขึ้นมากลับกลายเป็นคนเดิมดูสุขภาพดีแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะส่วนผู้หญิงที่ชื่อพิมพ์ก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลยแต่เชื่อว่าเธอหน้าจะได้รับผลกรรมนั้นกลับไปแน่นอนสิ่งที่มีค่าและก็ศักดิ์ที่สุดในชีวิตค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่มีค่าและสิ่งที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตของลูกทุกคนคือพ่อแม่ไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดีแค่ไหนพรจากพ่อกับแม่คือสิ่งที่จะป้องกันภยัยแล้วก็นําพาชีวิตของลูกให้เจริญต่อไปในภายภาคหน้านะคะเรื่องก็มีอยู่เท่านี้ค่ะขอบคุณคุณหานใจสิงด้วยนะกับเรื่องนี้อุตส่าห์ไปทําความดีไปให้ความรู้กับชาวบ้านชาวช่องกลับโดนของที่สาวๆเอามาทําสเสน่ห์เกือบเอาชีวิตไม่รอดซะแล้วไม่ล่ะ มีเรื่องราวอยู่กับเรื่องราวหนึ่งนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณเพียค่ะสมาชิกกลุ่ม The House บีเองก็ขออนุญาตนำเรื่องนี้ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องกันกันกบสยศาสตร์นะคะที่คล้ายคลึง ก, กันกับเรื่องก่อนหน้านี้ค่ะก็เลยขออนุญาตนำเรื่องนี้จากเว็บไซต์ thehouse. อนไลน์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะ ซึ่งคุณเพียเล่านะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยเรียนอยู่ม .5 ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ที่หน้าบ้านของผมเนี่ยเฉียงๆออกไปทางซ้ายมือจะเป็นบ้านของลุงคนนึ่งก็เป็นอาจารย์สักยันมีลูกศิษย์มาสักกับแกเรื่อยๆล่ะครับแต่ว่าอยู่ๆแกป่วยเป็นโรคอัมาพาตอัมพาตแบบขยับไม่ได้พูดคุยได้อย่างเดียวเวลานอนลูกชายแกก็จะคอยพลิกตัวให้ทุกสองสาชั่วโมงอยู่มาวันนึงตกดึกคืนนั้นผมรู้สึกปวดฉี่ขึ้นมา เวลาราวเที่ยงคืนได้ก็เลยลุกออกจากบ้านเนี่ยมาฉีข้างกำแพงเพราะว่าไม่ค่อยเข้าไปฉีในห้องน้ำตอนกลางคืนก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็เลยติดมาจนชินเป็นนิสยัยพอฉีเสร็จกำลังจะเข้าบ้านสายตาก็เหลือบไปเห็นหลังบ้านของลุงที่ป่วย หลังบ้านแกจะอยู่เยื้องๆกับหน้าบ้านผมซึ่งหน้าบ้านลุงเนี่ยแกจะติดถนนในหมู่บ้านระยะห่างจากบ้านผมกับบ้านแกก็ห่างกันพอสมควรเห็นลุงแกทําอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวก็เลยสงสัยเดินเข้าไปถามแล้วก็ดูด้วยความสนิทลุงเฮ็ดอีหยังลุงก็ทําหน้าตกใจโอ้ยเฮ็ดกับข่าวบักละกําลังก่อยก่อยเนื้อมา ก, กินน้ากันดิละ่ะคุณเพียก็เลยบอกบ่เป็นหยังครับผมสีขาวนอนหลับไปกินก็อนเอาไปนอนก่อนเดอ้อลุงก็เลยบอกเออออฟันดีฟันดี เป็นภาษาอีสานนะคะคุยกันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เลยเดินกลับเข้าไปในบ้านทีนี้คุณเพียก็เปิดไยแล้วก็เดินตรงไปที่ตู้เย็นกะว่าจะดื่มน้ําสักหน่อยหนึ่งก็ไปหยุดที่หน้าตู้เย็นแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะลุงแกป่วยขยับตัวไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะแล้วเมื่อกี้คืออะไรหรือว่าลุงอาการดีขึ้นแล้วก็คิดไปต่างๆนานาค่ะแล้วตอนนั้นเองก็มีมือมาแตะที่ไหล่ คุณเพียตกใจสุดขีดเกือบร้องออกมาแล้วแต่ว่ามือนั้นเป็นมือของแม่แม่ก็เลยถามว่าไปไหนมาก็เลยตอบว่าออกไปฉี่แล้วเห็นลุงที่ป่วยแกกําลังทํากับข้าวอยู่หลังบ้านก็เลยเดินไปคุยกับแกนิดหน่อยแม่ได้ยินแบบนั้นถึงกับหน้าซีดค่ะแม่บอกว่าต่อไปนี้ตอนดึกห้ามออกไปฉี่คนเดียวนะห้ามไปที่บ้านนั้นคนเดียวด้วยถ้าปวดฉี่ให้เรียกพ่อกับแม่ออกไปเป็นเพื่อนตอนนี้ไปนอนได้แล้ว คุณเพียก็เลยงงๆว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยเดินไปเยี่ยมลุงแก่ใหม่ก็ได้วะแล้วก็เดินไปเข้านอนนะคะพอตอนเช้ามาแกก็คุณคุณเพียเองเนี่ยก็รีบลุกขึ้นทําธุระส่วนตัวจนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็ชวนพ่อชวนแม่ไปเยี่ยมลุงคนนั้นพ่อก็งงว่าทำไมต้องรีบร้อนกระวนกระวายขนาดนั้นทํำยังไงได้ละคะก็คนมันอยากรู้เนาะพอไปถึงบ้านลุงก็เรียกหาลูกชายแกออกมาบอกพี่ออสอยู่ไหมผมมาเยี่ยมลุงสักพักหนึ่ง พี่ออสก็เปิดประตูให้บอกอา้าวมากันครบเลยเหรอเข้ามาเข้ามาก่อนลุงเป็นยังไงบ้างก็บอกเหมือนเดิมแหละคุณเพีย ก, ก็เลยบอกแต่เมื่อคืนผมเห็นลุงแกนั่งทํากับข้าวอยู่หลังบ้านอยู่เลยคุณออสก็เลยหัวเราะนะคะก็เลยบอกจะเป็นไปได้ยังไงพ่อพี่ขยับไม่ได้แล้วจะลุกไปทํากับข้าวได้ยังไง ค, คุณเพียรก็บอกเมื่อแต่เมื่อคืนก็พูดกระอึกกระอักอันเนาะแ ต, แ ต, แต่แต่เมื่อคืนประมาณนี้ไม่ทันที่จะพูดต่อค่ะแม่ก็ส่งสายตาจิกหานะคะซึ่งเป็นการบอกความหมายว่าพอได้แล้วไม่ต้องพูดแล้วก็มองไปที่ลุงที่นอนอยู่บนเสือไม่มีอาการไหวติงใดๆทั้งสิ้นนะคะจากนั้นก็ขอลากลับบ้านค่ะแต่ว่าตอนเดินออกมาถึงหน้าบ้านพี่ออสก็อดที่จะมองเข้าไปในบ้านตรงที่ลุงแกนอนอยู่ไม่ได้ก็เห็นลุงแกพงกหัวหันมามองที่คุณเพียแล้วส่งยิ้มให้ด้วย คุณเพีย น, นี่อึ้งเลยค่ะสายตานั้นดูหน้าขนลุกมากๆแม่เนี่ยรีบจับแขนแล้วก็กระชากให้เดินตามกลับบ้านไปให้ไวที่สุดพอถึงบ้านแม่บอกให้พ่อเนี่ยไปเอาพระมาแขวนคอให้พร้อมกับพูดว่ามันจะอาศัยร่างมึงแม่บอกบอกบอกกับลูกแบบนี้ก็คือบอกกับคุณเพียแบบนี้บอกว่ามันบอมแมนปอบมันเป็นวิชาของคนเลนของทางอง่านเขมรพอร่างทรงพยุงสังขารของตัวเองไม่ไหวแล้วนะคะมันก็หาร่างใหม่อยู่ มันเป็นเดรัจฉานวิชามันผิดกฎธรรมชาติมันห้ามอ่าก็พ่อก็เลยบอกว่ามึงห้ามไปอยู่ใกล้ๆลุงเขาอีกนะห้ามแตะต้องตัวลุงเขานะห้ามดื่มกินของจากบ้านหลังนี้เด็ดขาดหลังจากนั้นมานะคะก็ทําตามที่แม่บอกทุกอย่างค่ะแต่ว่าเป็นที่น่าแปลกก็คือพี่ออสเนี่ยแกชอบเอากับข้าวอาน้ำมะพร้าวมาให้ที่บ้านอยู่เสมอแกบอกว่าลุงเป็นคนบอกให้เอามาให้บ้านก็รับไว้แต่พ่อเนี่ยจะเอาไปทิ้งตลอดแล้วอยู่มาคืนนึงค่ะ คุณเพียก็ปวดฉี่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะปลูกพ่อให้ออกมาเป็นเพื่อนแต่ว่าขณะที่ยืนฉี่อยู่ข้างกำแพงบ้านก็มองไปที่บ้านหลังอของลุงเหมือนเดิมแล้วก็สังเกตเห็นขนไก่เนี่ปลิวว่อนเลยเหมือนไก่กำลังโดนถอนขนอย่างบ้าคลาั่งตอนนั้นก็ไม่ได้กลัวนะแต่ว่ามันอยากรู้มากกว่าก็เลยค่อยๆ ย, ย่องไปกะว่าจะดูให้รู้เรื่องว่ามันคืออะไร แต่ว่าสิ่งที่เห็นคืคอลุงแกกําลังถอนขนไก่อย่างบ้าคลั่งปากก็แยกเกี้ยวครังดังฮือๆน้ํำลายไหล ย, ยืดเป็นทางลูกตาสีแดงกำ่ำเห็นแบบนั้นแล้วเนี่ยรีบวิ่งอ้อมไปหน้าบ้านลุงเรียกพี่ออสไม่ทันไรพี่ออสก็เปิดประตูออกมาถามบอกมีอะไรเรียกดึกๆเดินๆก็เลยบอกพี่ออสให้ไปดูที่หลังบ้านแกก็ทําหน้าเซ็งๆ่ะแบบอะไรของมันวะประมาณนี้แล้วก็เดินไปตอนนั้นเนี่ย ก็จ้องลุงที่นอนอยู่บนเสือ่ออย่างไม่ละสายตาสักพักพี่ออสเดินกลับมาหน้าตาซีดเซียวอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วแกบอกว่ากลับบ้านไปนอนไปเดี๋ยวพี่ไปส่งคุณเพียก็พยักหน้ารับแล้วก็เดินกลับบ้านไปโดยที่มีพี่ออสเดินไปส่งค่ะแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรกันตลอดทางเลยพอรุ่งเช้าแม่มาปลุกคุณเพียบอกกับว่าคุณเพียว่าลุงแกตายแล้วนะสงสัยแกหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วละมัง้งดีนะที่ไม่ใช่มึง แม่ก็ห่วงว่าลุงเนี่ยมันจะเอาร่างมึงไปซะอีกและแม่ก็กอด น, นะคะคุณผู้ฟังคะวิชาของลุงแกนี่เป็นวิชาหนึ่งทางขาเขมรค่ะซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ยอมให้ตัวเองตายตามธรรมชาติก็คือแบบแม้ร่างกายหยาบจะหมดสภาพแล้วแต่ว่าจิตนั้นยังคงอยู่ แล้วก็จะหาร่างคนอื่นเป็นที่อาศัยไปพร้อมๆกับวิญญาณของเจ้าของร่างค่ะคืออาศัยในร่างเดียวกันร่างกายเดียวแต่มีสองวิญญาณอาศัยอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดขอบคุณเว็บไซต์ thehouse. online ด้วยค่ะที่ขออนุญาตนําเรื่องนี้มาเผยแพร่ต่อในช่องพระเจอผีด้วยแล้วก็หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยส่วนใครที่มี เรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวแปลกๆส่งมาให้เราเล่าให้ฟังได้ที่ www.facebook.com/ พระเจอผี p. สะกดง่ายๆค่ะเป็นเครื่องหมาย Ad ก็ได้แล้วก็ตัว p ตัว r ตัว a j e r แล้วก็ตัว p w e นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ